วันอาทิตย์กันยายน 2537 เป็นเรื่องอรูปาวจรจิตติยาจิตโดยอาจารย์สุทเทพโพธิสัตถาท่าน 31 ซึ่ง 4 ก็ การนำเอาจิตที่อยู่ในกลุ่มของฝ่ายอรูปฌานๆกับกุศลอรูปาวจรวิบากต่างเฉพาะโดยความเป็น ในที่นี้มีความหมายไม่ได้หมายถึง รูป� k pues probosc Lebens เจ metros 101 จะเป็น รูป�ễ ett par ビร Sad men อรูปฐ推 fulness heaven จよろ ა ที่ 분完 小 allergies остын รูปฐ�대 realms ば��� nursery者 รูปฐ geg sithっと fine ความสลasy awakened mente ที่จ 물어보려고 olduğ歴 안� hr土 publ зав 我icum nadir Unsurdyongτη자актер glasslafatic Futaba не m find y بisch ความหมาย 72 in cycl OF บรung ที่เจ ép원 เป็นคําลอยๆที่นี้นะครับไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปเฉพาะ 4 อย่างอารมณ์อารมณ์ที่เป็นของอรูปฌานนั่นเองที่ จึงเป็นที่ไปเกิดของผู้ใดอรูปฌานก็ดีหรือผู้ก็โกจวะอย่างนั้นน่ะถูกแล้วสําหรับอวัจจระ ก็คือเลือกว่าเป็นที่ท่องไปเอาอารมณ์อารมณ์ 4 อย่างนั้นเป็นอารมณ์เรียกว่าเป็นที่เข้า เหมือนว่าท่องเที่ยวไปโดยทางนามธรรมสำนวนที่บอกว่า คำว่าถูกต้องนั้นเป็นการกล่าวถึงเรื่องอนงค์ของผัสสะเจตสิกที่อยู่ในอรูปฌานผู้ที่เข้ารูปฌานนั้นจึงเหมือนของ ผู้ที่เข้าฌานนั้นก็คือการเข้าฌานนั่น 4 อย่างขันฌานเป็นตัวกําหนดปริยานั้นก็ บางจริงในขณะที่คนเข้าฌานทุกฌานนั้นไม่มีตัณหาเจือหรือ เมื่อได้ปราลภลบตัณหาแล้วจึงเข้าฌานและเมื่อเข้าฌานแล้วหรือโดยตัวฌานเองและไม่กําหนัดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฌานนั้น สิ่งที่ฌานนำไปไปสู่นะครับ ยินดียินดีติดใจในผลของชาญใจในตัวฌานอันหนึ่งยินดีติด บุคคลนั้นได้รับความทุกข์ประชานนั้นเป็นเหตุทําให้บุคคลนั้นต้องไป ได้เกิดความมัวเมาในฌานนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ๆว่าอรูป ก็ไม่ใช่อื่นใครพระอรหันต์เมื่อธรรมบุญทุกอย่าง กอวิบากนั้นจริงอยู่พระอรหันต์นั้น วิบากนั้นไม่ถือว่าต้องลบล้างความเป็นวิบากไปด้วยความไม่มีกิเลสใหม่เพราะเป็น ที่แท้จริงของการทำลายกรรมที่ต้นเหตุก็ แม้แต่ทุกละเอียดคือวัฏฏทุกข์ที่จะต้องไปเกิดใหม่ในภพหน้าจานาวัฏฏทุกข์เนี่ย <ม. S 1> และอรูปาวจรวิบากเหมือนกันเลยเท่ากันเลยโดยประเภทที่บางทีเรียกว่าอรูปฌาน 2 รูปฌานที่ 3 รูปฌานที่ 4 ที่พูดเป็นภาษาบาลีก็ว่าปฐมอรูปฌาน อามาเตเปรียบชื่อต่างชื่อให้เห็นกันในที่นี้เนี่ยก็ตั้งแต่อาการผัสสะอัญจายตนะฌานกิริยา ที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว 2 กลุ่มโดยขอบเขตเนี่ยเราก็จะซ้ําตาว่าอ่า จิตชนิดนี้เกิดขึ้นกับใครก็เกิดขึ้นกับพระอาราม ไม่ได้เป็นกิจเอ่อที่เกี่ยวกับการไม่ได้เข้าฌานแม้ว่ากิจนั้นจะ ก็เหมือนกับจิตอื่นๆเหมือนกันจิตจิตมีหลายประเภท ในขอบเขตของจิตที่มีหลายประเภทระหว่างเรากับมีไม่มีเช่นมีพระอรหันต์ก็มีนี่ซ้ํากัน ญาณหลานมีแต่ปุถุชนหรือพระเสกขะอ่ะไม่มี เปลี่ยนเป็นจิตนั้นบางจิตนี้บ้างก็เป็นได้ว่าบางภูมิ ปุถุชนเราเกิดจิตมากแต่ว่าจิตบางพวกก็เกิดได้มากจิตบางข้อที่กล่าวถึงในประเด็นที่ 3 ขอบเขตข้อ เกิดกับพระอรหันต์ในภูมิ 26 ซึ่งแตกต่างกับวิบากวิบากนั้นเกิดในภูมิยะ เทวภูมิ 6 ก็เป็นเทวดาชั้น 1 ถึงชั้นที่ 6 แล้วก็ลมภูมิ 19 19 นั้นชีวิตที่เรียกว่าชีวิตของอสัญญีเนี่ยพูดได้ หรือผู้ดีทีนึงอวตารรอบนึงเนี่ยมันข้ามเลยอย่างสิ้นดานนะยังเป็นอนุสัยอยู่ไม่ปรากฏโลภะก็ กิเลสวัฏและกรรมวัฏนั้นอยู่ในชาติก่อนกับชาติ 3 กิเลสกรรมและวิบากอันนี้ก็เป็นภูมิพิเศษถ้าภูมินอก ที่เป็นโลภะก็เป็นโมหะเกิดขึ้นในความ แล้วก็ไม่ต้องคอยรักษาคําว่าไม่คือพระหลานมันจะเป็นผู้ที่ได้โดยได้อย่างในการที่พระองค์อยู่เนี่ยเช่น อาการของพระองค์ใดองค์หนึ่ง การธรรมภาวนาจากพระเสียถ้าประชุมกันตัวองค์เสียลืมลืมบอกแก่สงฆ์ว่าพระภิกษุก่อป่วยมาไม่ได้มอบให้ ก็มีเลยนี่มีหลายกรณีแต่ว่ามีอยู่บางองค์เนี่ยในขณะที่ประชุมว่าสงฆ์ จะปราบอาบัติอย่างนี้ฮะว่าถ้าภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งเผลอไปก็ดีภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งนั่งหลับเสียก็ดีภิกษุองค์ใด ตัวเองได้รับมอบหน้าที่มานี่เราไม่นึกถึง แต่เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ได้มนสิการได้ ไม่ได้มณเฑียรเนี่ยอาจจะไปเข้าพ้นธรรมาบัติอยู่หรือว่าไม่ได้เข้าพ้นธรรมาบัติแต่ไม่ได้มณเฑียรก็ไม่ทราบไม่รู้มณเฑียรเมื่อไหร่ก็รู้มานําและนี่ก็เป็นข้อที่แตก มีเท่าไหร่ก็เต็มบริบูรณ์อยู่อํานาจเต็มบริบูรณ์เพราะว่าไม่มีนิวรมาเป็น คือว่าที่เจริญฌานแต่ละฌานที่เมื่อคนได้ฌาน 9 เข้า 1 ตรงกันที่เรา 8 ก็ถึง 1 นะโดย 2 อยู่แล้ว 1 ก็ 2 ก็ 2 ไม่ได้ 1 ที่ 2 ได้จะต้องเป็น แม้เงินก็ไม่สามารถที่จะตั้ง นอกทางหมายถึงว่าไม่ใช่ฌานด้วยกันเช่นไม่ใช่ฌานที่ 1 กับฌานที่ 2 ฌานที่ 2 นำเอาคุณสมบัติที่ตัวเองมีอยู่ในทางหนึ่งไปใช้ให้เกิด ปฏิโชนธรรมเนี่ยเราเข้าฌานเป็นบาทมันมีอันหนึ่งที่เป็นข้อต่างที่สําคัญทีเดียว เข้าฌานแล้วเอามาเป็นบาตรทำวิปัสสนาเนี่ยก็เพียง จะดูว่าสิ่งจะดูหรือจะ ว่าแม้ต่ออุปปะริมะลัสะธรรมคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานก็เป็น ก็ล่วงแล้วจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็ลมไปสู่นิพพานอภิรมย์ในนิพพานเบิกบานในนิพพานเป็นสุข ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งอุปมาเหมือนกับบุคคลผู้ที่มีที่ตัวเองได้มา ในแต่ละครั้งอ่าหรือเอาไปย้ายสถานที่วาง พิจารณาอีกก็จะเกิดความสุขในธรรมที่ ใน 200 ใน 200 ปีนั้นๆที่เราๆเราก็นะเช่น อย่างนี้ความสวยความงามของชริรภาพเราเนี่ยอีกไปนะลูกเราหลานเราก็ไม่เที่ยงเขาจะตายเมื่อไหร่ว่าไม่สบายใจแต่เล็กๆๆบางอย่างว่า นี่เปล่าใจเอออย่าไปเสียใจเลยเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยการค้าก็มีขาดทุนบ้างกําไรบ้างอะไรอย่างนี้ไม่เที่ยงก็พูดได้นะเพราะว่าลามขึ้นไปว่าอย่า อย่าว่าแต่ชาตินี้อย่าว่าแต่วัยนี้อย่าว่าแต่ตําแหน่งและได้ส่งผลรู้แนวจะส่งผล จะถูกข้อจํากัดทั้งทุกเนี่ยน้อยมากน้อยอะไรอะไรก็ขวาง น่ะว่ามีคนคุ้นเคยผมก็พอรู้จักคนนั้นแล้วก็รู้จักกับคน ตุงตุงว่าแทคติกบ้างเอามาให้มาให้เพื่อมาแลกน้ําอายุก็แก่ก็เป็น ไม่ต่ำกว่า 70 แล้วนะนี่เผื่อๆว่าเขาจะแก่จนอายุไป ฉันไม่ยอมเข้าบ้านลูกหลานท่านมาหลายคนแล้วก็ไอ้เนี่ยคือของรางประสงค์สายเค้าจะโห่มาชวน ทีนี้อ่าไอ้กรณีอย่างเนี้ยก็พูดถึงว่าคนเนี่ยเขาคะแนนสุขแต่ว่าไอ้บางคนเนี่ยเขาคะแนนว่าเออจะ นะมันก็เป็นตามแค่นั้นแต่ที่จะมาคิดเลยไปว่าเออไอ้เราเอาเงินเอาทองมาสร้างนู่นสร้างนี่ ปรารภก็จะตายนี้ก็ได้มาหาความสุขอย่างอื่น แต่ว่าๆหรือไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นประโยชน์มากกว่านี้หรือเปล่าเขาก็อาจเนี่ยทะลุหมดทะลุๆเท่ากับทํา อย่างนี้อย่างนี้เหมือนไม่มีระหว่างท่านๆหรือไม่ เพราะฉะนั้นท่าเวลาที่เราเราทําวิปัสสนาเนี่ยผมเทียบให้เห็นนะระหว่างความแตกต่างของเรากับพระอรหันต์เราทําวิปัสสนาเนี่ยเราได้ 3 อย่างเราต้องเอาให้ได้ 3 1 ได้ละความชั่วได้ความดีใช่มั้ยเราดีดขึ้นได้ละความชั่วความรู้ เอ่อมันก็ไม่ได้ละความชั่วแล้วก็ไม่ได้ความดีเพราะความดี ได้ตรงนี้ใช่มั้ยฮะได้ความสุขอันนี้เป็นตัว สุขใจได้นั่งได้นอนในที่สะดวกสบายเราอีกอย่างนึง กำหนดรู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็รู้คุณ เป็นนอนว่าการอยู่จบรมอาจารย์เนี่ยมันจบ ไม่จบนี่หมายความว่าบอกว่าท่านอยู่จบที่จะแสวงหาความหรือ ผมก็เลยผ่านมาถึงข้อที่ 2 เป็น อธิษฐานว่าเข้าเข้าสมาธิเป็นบาทแล้วพระอาจารย์เป็นบาทแล้วอธิษฐานขอให้ฌานนี้ ท่านก็จะเข้าฌานที่ 1 ถึงฌานที่ 9 แล้วก็อธิษฐานวิญญาณให้เกิดฉันนี้ก็ถือเป็นบาปอย่างหนึ่งส่วนจะเข้าอภิญญาไป 3 ชุดรูปาจารย์นิบาตนะที่ ความสุขในเหตุผลของตัวเองเพื่อความผาสุกนั่นก็เพื่อคน เพื่อตนเพื่อตัวเองก็คือเพื่อจะได้เพื่อ เป็นอุปกรณ์ในการสอนเป็นเป็นเครื่องทูล ที่ว่าผมกําลังเอ่อทดสอบเรื่องการเลียไล่ในรูปของหลักการนี้แล้วก็มีโดยท่านจํากัดวินัย <c oughs> ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอทีนี้เมื่อแล้วไม่ให้ผู้ถูกขอที่ไม่ให้ก็ไม่เป็นที่รักของผู้ องค์หนึ่งไปประพฤติสมณธรรมอยู่ในป่าทั้งจริงยังเป็นปรากฏุชนก็มาเฝ้าพุทธเจ้าบอกว่าแม่ไม่เป็น นี่ท่านเล่าให้เหมือนกันแต่ชาดกฟังถึงปุจฉิตินิยามที่ได้ทํากับพระองค์ อาตมาขอบินทบาทขนทั้งท่านทั้งคนละอันนาลานนะแล้วก็เงียบอีกคืนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้ญาณปัญญาช่วย เวลาที่ปลาว่าพระองค์นี้ต้องการขนขอขนไปจากโคนเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงใช้พุทธานุภาพ มันเป็นญาณปาณังของมันน่ะเหมือนเป็นญาณปาณังปรากฏว่า 3 วัน ปะขอเนี่ยการขอเนี่ยต้องมีเงื่อนไขถึงจะ เหลือเกินได้ที่เขาจะให้ได้นะหรือขออ่ะแม่บอกเขาให้ได้ เห็นเห็นวัวเห็นควายมาไอ้ปละเจ้าบ้านหลบช่วยช่วยสงเคราะห์ภิกษุคือแม้ว่าท่านจะไม่ เป็นเรื่องตลกโหโธ่บะเดี๋ยวนี้ยุงยังพูดรู้เรื่องเลยยังโลภะรีอ่ะนะ เป็นแล้วท่านก็ไปนั่งกำหนดจิตว่าขอยุงกลับหมดโยมอยู่สบายไม่รู้ท่านไป ไทยใช้อำนาจทางทหารกับทางการทูตได้ทั้ง 2 อย่างเปรียบอย่างงี้ มันก็ย่อมมากับท่านถ้าเป็นในช่วงนี้สมัยที่พระอรหัตตผลสมาบัติกล้าหัน เป็นสุขค่อนข้างจะสูงสูงสุดเนี่ยเหนือกว่าจันทมาบัติเหนือกว่าวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่ง แต่เราจะได้ยินว่าท่านเข้าโหรเข้ามาบักไปโชคลรรคใครดีไปขอใครดีแต่เราแม่ที่ต้องการจะสงเคราะห์ลูกอยากจะ ก็จึงต้องบังคับให้ลูกเรียนเสต้องฝืนใจให้ลูกว่าลูกอีกถามว่าคุณหรือคุณไม่เห็นตาไอ้ศุขาลาที่พ่อเห็นไอ้ ไปเห็นรูปเป็นรูปดอนจียาอะไรเล็กๆเด็กๆเล็กๆแต่ก็ต้องยอมทําไปเห็นแก่ 7 ของเศรษฐีคนหนึ่งมัจฉริยาเศรษฐี จับและมองมองเอนี่ไปถามแต่ท่านไม่ได้ไปเที่ยวเออคนเจียดขอแล้วขอเล่าขอแต่ว่าไม่ได้ไป ความจริงเรื่องการเข้าสมาบัติแต่ละอย่างแต่ละอย่างการให้นั้นมี 4 เป็นบาตรเข้านิโรธสมาบัติคือคนที่จะ เป็นของคู่กันเหมือนโคคู่มาเตรียมแอกจึงจะลากคุณธรรมนี้ไปได้หรือนําไปสู่คุณธรรมนี้ได้เพราะนั้นท่านที่จะเข้าในโลกสมบัติท่านก็จะเข้าโดยวิธีหลายหลักมากประการเข้าชานตะลับกันไปสมาจารย์ไปย้อนมาย้อนกสิณย้อนฌานหรือย้อนอารมณ์ย้อนฌานแล้ว จักชานมากําหนดชานนั้นเป็นวิปัสสนาแล้วก็เข้าชานอื่นอีกกําหนดเป็นวิปัสสนา ไม่ใช่วิปัสสนาจิตจิตดวงสุดท้ายนะฮะคือเนวะสัญญานา 4 ที่ปรากฏครองขณะสุดวันหรือน้อยกว่านั้นจิตจิต ก่อนดับเนี่ยเป็นเนวสัญญาณาสัญญาตนาอาจารย์ดับแต่จิตเกิดจิต 3 คือผลสมาบัติอีกอย่างนึง เอาคือพระอรหันต์จารย์พระพุทธเจ้าเมื่อท่านจะดับ อุสกานิพนเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทํามีจริยาจี เอออย่างเราเนี่ยเราทํายาตัดตัดยาเป็นเรื่องใหญ่เวลาเราเกิดจะล้มหายตายจากเนี่ยลูกเกล้าว่าพ่อป่วยหนักแม่ป่วยหนักลูก แม้แต่จะปรินิพพานก็ไม่ได้ไปปรินิพพานในเมืองญาติคือบ้านเกิดในหมู่ญาติ ที่มาบลินิพพานที่นั้นเพราะอะไรเหตุอย่างหนึ่งก็คือโปรดสุปัตตะเป็นพุทธกิจญาณแล้วก็คนอื่นๆโลกตาธิญาณใน ก็เป็นการช่วยโลกเทพไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์แม้แต่ ตริยเป็นประโยชน์ส่วนตนอันหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องของท่านแล้วครับเป็นประโยชน์ อันเข้าจารอาตมาบัติทั้งมากมายอารมณ์มากมายฌานครอบกอดยากอันเป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ดับ เป็นเป็นเรื่องที่ท่านได้เข้าฌานเข้ากรรมฐานทุกอย่างๆลงมากลางและถึงที่สุดก็ดับขันธ์ทรัพะนิพพาน แม้กระทั่งอัญญากรสัญญะก็เช่นเดียวกันเข้าสมาบัติเข้า เมื่อเสือหันหน้าไปหาโยมมหาโลกก็แสดงลิแสดงธรรมจากหัน กองลาลานในที่ท่านเข้าต่อไปครับใจสิ่งเหล่า ที่เป็นจุดเด่นหรือสิ่งที่เป็นเหตุผลส่วนตัวนะเป็นผลได้ ฉะนั้นในนี้จริงได้กล่าวว่ากะขีณาสกเจริญอรูปาวจรฌานเป็นกิริยา แต่เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันชาติสุขวิหารคือเครื่องอยู่ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับอุตริมนุษยธรรมอย่างนี้การฟังธรรมการๆกันแต่สําหรับคนที่สวดสาธยายแล้ว ว่าเราสวดมนต์เนี่ยแต่พูดว่าเมื่อก่อนเราทวนอิติปิโส การฟังธรรมของเราสมมุติว่าเรามาฟังอภิธรรมครั้งแรกความสุขก็ไม่มีใช่มั้ยอารมณ์สุขไม่มีมี ไม่เห็นอะไรยากเลยอาป๋าเรารู้ตลอดเลยอาป๋าคำแรกเรารู้ไปถึงกรรมสุตายครึ่งชั่วโมงบรรยายเนี่ยไม่เนี่ย <c oughs> เป็นบทธรรมข้อธรรมต่างๆที่ท่านสาถ่ายท่านสวดท่านได้ยินได้ฟังได้ ธรรมะเรื่องรู้อยู่แล้วเก่าๆอยู่เมื่อเราเรื่องเก่าๆนี้จัง ประเภทของอรูปฌานเป็นกิริยาธิวาเนี่ยที่พระอรหันต์เข้าอย่างเป็นทิฏฐธัมมสุขวิหารๆกับที่ได้พูด รูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความอัตดรงดัด ฌานที่ 4 โดยจตุกนัยนะหรือฌานที่ 5 นั่น อันจึงใช้คําว่าจตุจฉานเพราะมีองค์ 2 เหมือนกันคือวิทคืออุเบกขากับเอกัตตามีองค์ แล้วก็จําคําว่านานาตสัญญาได้ใช่มั้ยได้ผมก็ผ่านเลยไปทีบทไหนในเอกสารนะ <c oughs> คลายความชอบคลายความยั้งอยู่หยุดอยู่แค่รูปฌานคลายความรู้สึกของรูปฌานประเสริฐสูงสุดแล้วเนี่ยเอ่อผม <c oughs> ธรรมดาคนจะเจริญในธรรมที่ <c oughs> อายุดีอย่างเงี้ยว่าเมื่อท่านมีทีวีไอ้มีทีวีที่มันโซมมันเสียบ้างดีเออจะไปหาไอ้เครื่องใหม่ได้ไม่รู้จะได้เครื่องใหม่ ขลานอีกสักอาทิตย์นึงอย่ามาให้เราก็หรอระหว่างนั้นเราทิ้งเครื่องเก่าแต่เราชักเริ่มรู้สึกอยากจะจะใช้จะมีไว้แล้วแต่เรายังทิ้งไม่ได้ยังไงจิตใจมันแต่ใจไม่ชักโล่งคร่อนน่ะไอ้ที่เรายินดีพอเค้ายกเครื่องใหม่มา เอาบ้านมาให้มาให้เลยบอกเนี่ยให้คุณเนี่ยลองเปิดดูเสียบปลั๊กตั้งตั้งให้เสร็จเราก็ถอนหลุดนะอาจจะให้เขาไปขายไปว่าเราไม่ได้เราเมื่อจะดูทีวีก็จะต้องดูเครื่องนี้ คิดจะใช้สอยมันอีกต่อไปมีคนที่ได้ล่วงประชานแล้วในทีแรกเค้า สูงขึ้นไปครับเนี่ยเราก็ก้าวล่วงความผูกพันเลย อันนี้เป็นคําเลียดของทวิปัญจวิญญาณ 10 ตาหูจมูก 1 คือฌานต้นรูป การรู้ทางทวาร 5 ข้อ 3 ไม่มีการถึงนามัตตะนานาตาที่แปลว่าต่างๆสิ่งต่างๆข้อ 2 ข้อ 3 คือปฏิฆาสัญญากำนานัตตะ 6 นะ วิชฌานจิตความจริงจานจิตเนี่ยปรากฏทั้งโนตะวาเหมือนกันแต่ ได้สระทางกายแล้วก็สุขทางใจที่เป็นกามก็ไม่มีที่ แล้วก็ละความรู้สึกสุขทุกข์อีกอันนึงไม่มีสุขไม่มีทุกข์จึงบรรลุจตุกิจารอันตรัสโคตรด้วยวิญญาณจาตนะ วิญญาณัญายตนะสัญญาได้โดยประการทั้งปวงนี่ข้อ 3 แล้วนะจึงบรรลุจตุตตจารย์อันตระกົດด้วยอาริญญัญญายตนะสัญญาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ ละการรับรู้ละการปรากฏเป็นอ่าระยะระยะไม่ใช่ข่มอย่างคนที่ได้ฌานก็ออก เป็นได้เพียงชามันละเลยทําไม่ให้เข้ามากวนละโดยการทําไม่ให้ จึงดว่าอนัตตสัญญาบางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นกิเลสละไอ้การคลายไอ้ๆถึงแม้ไม่ใช่กิเลส จิตถึงจะเป็นกิเลสเอถึงจะเป็นก็ในข้อ 4 ไอ้ 4 ว่าแล้วมั้งก็พอ อันนี้ก็อธิบายนิดๆหน่อยเอาที่เห็นสมควรๆกันแต่พระอรหันต์ ถูกแบ่งประเภทโดยวิปัสสนาวนณแต่อำนาจฌานที่ท่านได้เนี่ยได้ไปเป็นข้อกําหนดในการแบ่งประเภทของความ แต่ที่ถูกแบ่งไว้ต่างกันนั้นก็เพราะว่าคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติประกอบไม่เหมือน อารัมมณ์จึงมาจาก 2 สายมาจากสายคือทำวิปัสสนาอย่างเดียวจึงเรียกอย่าง เอ่อด้วยวิปัสสนาแห้งแล้งอย่างแห้งแล้งวิปัสสนามันมีอย่างแห้งกับอย่างน้ําเปรียบกับกุยเสียวกันอย่างแห้งเนี่ยหมายความว่าไม่ชุ่มชื้น ผู้ที่ทําวิปัสสนาอย่างแห้งท่านก็วิปัสสนาแบบใบไม้แห้งก็ไม่มีเอ่อ ก็เป็นพวกที่ได้ฌานตัมมธายานนี้กับลุจฌานลาภีเดี๋ยว และโมคคัลลานะอุปโตภาคะวิมุตติพระสาลิบุตรอุปโตภาคะวิมุตติพระวังกีสาอุปโตภาคะวิมุตติเนี่ยได้อย่างครบถ้วนมากกว่าพวกปัญญาวิมุตติ ในพวกสุกาวิปัสสกาแล้วทําไมจึงเรียกอุปโตภาคะภาคแปลว่าส่วนอุปโตแปลว่าทั้ง 2 โดยคือยังไงคือเป็นผู้ที่ทําชาญถึงอรูปฌาน ผู้ผู้เรียนหรือบุรุษอย่างเรียกว่าจบ เอ่อวิวัฒนาการเนี่ยต้องทําถึงได้ 4 รอบเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าถึงจุดจบน่ะถึง 2 ส่วนๆไม่ใช่จบส่วนใด ตัวนี้วัฒนายังไม่จบแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นพระโสดาบันจบอรูปฌานเนี่ยแต่เอๆไม่เหมือนกันเพราะ จุดผลเด่นหน้าปัญญาเนี่ยท่านจึงหมายเอาสุขวิปัสสกา ที่ก็เอามาทั้งหมดจบแต่เพียงในครั้งนี้ในวันอาทิตย์หน้าจะนําเอาเรื่องโลกุตตรจิต 10 จิตกลุ่มสุดท้ายมาอธิบายนะ